อ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا م ض ل ل ه وما يدللنا فلا ه ا ر ا ل ه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت ا ل آ خ ر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم 말คื ا ل ح م د ح ت ى ت ر รดา ولكنالحمد إذا رديت ولكنالحمد بعد الرضا وشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين و ش ه د أن نبينا محمدًا عبده ورسوله لقد أ د الأمانة وبرق الرسالة وشاهد في الله حقه هذه وجزاه الله أن وعن أمته خير ما جازه النبي عن أمته أما بع سلام عليكم ورحمة ا ل ل พี่น้องที่รักกิ่งครับผมผู่าผู้ทรงสูงงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผองได้พูดไว้ครับว่าเราไม่ได้ทาให้และหูเราไม่ได้ทาให้ له, เาหขานั้นมี ตาสองข้างแล้วก็1ลิ้นแล้วก็สองลิ้ที่ปากกันนั้นหรือสุภานล้อครับในสุรตุลบาลัดนี้ครับพระลอได้พูดถึงความโปรดปานที่ว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่พระลอสุภาวตารนั้นให้กับบ่าวของพระองค์ตาสองข้างกับ1ลิ้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในตลอดชีวิตของเราตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กจนถึงตอนที่เราโตมาถ้าเกิดเราจะนับถึงความโปรดปานของพระลอที่ทําให้เรามีตาไว้มองเห็น ด้านนับความโปวดปานขอร้อยได้ไม่หมดหรอกครับว่ามีความเมตตามากมายมหาศาลขนาดไหนที่ทําให้เรานั้นมีตาได้มองดูในขณะพี่น้องของเราเป็นจำนวนไม่น้อยที่ว่าเขาอาจจะตั้งแต่เกิดมาเพราะล้อสร้างเขามาให้เขาไม่มีตาที่สามารถจะมองเห็นหรือเขาอาจจะมาสูญเสียการมองเห็นที่หลังบางท่านอาจจะตาสั้นบางท่านอาจจะตายาวอาจจะมีการตราเอียงอาจจะตาบอดสีพี่น้องที่รักครับ พวกเราที่ว่ายังมีสายตายที่ปกติอาจจะสั้นนิดหน่อยหรือว่ายาวนิดหน่อยมันคือความปวดปานพี่น้องลังจิตตนาการถึงวันที่เราจะตื่นมาแล้วเราไม่สามารถมองเห็นได้การดําเนินในชีวิตในดุนยามันย่อมจะยากขึ้นความผาสุกที่เราจะหาความสนุกในดุนยามันก็น้อยลงจะไปเที่ยวโดยจะไปเที่ยวทะเลจะไปชมนั่นจะไปชมนี่มันก็ไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วเพราะว่าตามองไม่เห็นเช่นเดียวกันกับลีนครับผม พี่น้องที่รักเราลองจินตนาการถ้าเกิดชีวิตที่เหมือนกับเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าถึงเวลาต้องการพลังงานก็แค่เติมน้ํามันเติมน้ำมันเสร็จก็ไปต่อพี่น้องจินตนาการออกไหมครับถึงชีวิตที่ว่าไม่มีรสชาติอาหารไม่มีรสชาติคือกินเพียงแค่ให้มีกําลังกินเพื่อให้มีพลังงานเท่านั้นเราคงจะคิดถึงออกเวลาคิดถึงเด็กตัวเล็กๆที่บางทีเขาเราบังคับเขาอะครับลูกอย่าเลือกกินสิลูกกินผกักสีลูกกินของมีประโยชน์สิลูกกินอย่างนั้นสิลูกกินอนี้สี หลายครั้งที่เด็กเลือกปฏิเสธเพราะอะไรครับก็มันไม่อร่อยเขารู้สึกเสพติดกับความอริสอร่อยจากลิ้นที่เอาล้อให้เขามาโดยที่เขาไม่รู้ว่ามันคือความโปรดปานมหาศาลเครื่องดื่มที่อริอร่อยที่รสชาติมากมายอร่อยแบบเปรี้ยวอร่อยแบบออกเค็มอาจจะออกฝาดอาจจะออกจืดอาจจะออกเผ็ดอาจจะออกอะไรก็ตามแต่เนื่องคือความปวดปานว่าอ็งต่วดูนี่เอาล้อให้ล้วติดสู้แ ห, หากเจ้าจะนับความโปวดปานที่เราเล่ามีให้กับเจ้านั้นเจ้านับมันได้ไม่หวัดไม่ไหวหรอกเพราะสิ่งที่พวกเราเล่าให้นั้นช่าง มากมายเกินจินตนาการครับขอทักพี่น้องที่สลามมานะครับพี่สันมาโมบาร็กนะครับเด็กนักเรียนหน้าห้องนะครับผมสลามเต็มมาก็อวยกุมสลามวารุปุระวาราคาตูเช่นเดียวกับคุณนัสอาดาเย็นทูลก็สลามเต็มตลอดนะครับผมก็ขอรับตัวแทนด้วยความดีงามแล้วก็ขอให้แต่สิ่งดีงามที่สมบูรณ์นะครับผมก็อัยกุมสลามวารุปุระวาราคาตุเช่นเดียวกับพี่น้องทุกท่านที่ว่าร่วมรับฟังกันอยู่ในตอนนี้ครับ พี่นักทีรักนีครับฟลอร์ได้บอกว่าเราไม่ได้ทําให้เขามีตาสองข้างแล้วก็มีหนึ่งลิ้นพร้อมลิ้นฟีปากสองข้างกันนั้นหรือในเรื่องของลิ้นครับเราพูดกันมาถึงตอนนี้เราได้ค่อนข้างจะพูดละเอียดบอกให้รู้ว่าลิ้นนี้เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับมนุษย์ เมือกับที่ท่านนบีมุสลอิมเมื่อท่านได้พูดถึงเรื่องที่ประเสริฐที่สุดของอิสลามพูดเรื่องการจีฮัดพูดเรื่องการละหมาดพูดเรื่องสิ่งที่ดีงามต่างๆท่านนบีมุสลิมก็ได้เตือนพวกเราทุกคนว่าแต่สิ่งที่มันจะไปทําลายทั้งหมดที่เป็นความดีที่เราทํามาตั้งแต่เกิดจนถึงก่อนที่เราจะเสียชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถทําลายทั้งหมดได้นั้นก็คือลิ้นหากว่าเรานั้นไม่ระวังในการใช้ไม่ระวังว่าสิ่งที่พูดจะทำให้เราล้อรังเกียจไหมไม่ระวังที่ว่าสิ่งที่พูดดนนั้จจจะไไปปททําาาลลยิตใใครรโี่่่มชออบหืเ บางทีเราอาจจะรู้สึกสนุกปากของเราแต่ว่ามันไม่ได้สนุกหสูสำหรับคนที่ฟังมันก็เป็นไปได้ซึก็เป็นเรื่องที่มุสลิมเราต้องระวังเหมือนกับที่ท่นานอบีมุสล า, ามได้พูดไว้ในฮะดีษที่ว่าทําได้ยากมากๆท่านอบีมุสลิมบอกว่าไงครับมันกานอายุมินุบิลและวันเยอมิอาคิดเฟลยาคุลคอยรันอูรียาสมุดใครก็ตามศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกเชื่อมันว่ามีสวรรค์เชื่อมันว่ามีนรกเชื่อมันว่าต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้ล้อเพื่อรับการตอบสวน เพื่อรับการตอบแทนท่านอบบีบอกว่าให้เขาพูดแต่สิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าพูดดีไม่ได้ก็ควรจะนิ่งเงียบเสียก็คือถ้าเกิดเราดูแล้วเราคิดปุ๊บพูดไปมันชักจะเกิอเลยขอบเขตหรือพูดไปมันชักจะไร้สาระมากเกินไปแล้วเราก็อาจจะนิ่งเงียบเสียถือว่าทําตามคําสั่งที่อัลลอฮ์แล้วก็คําสั่งที่เราสุลลัลสุลลอยสุลามนั้นได้สั่งใช้เราไว้แล้วก็ได้เตือนเราไว้พี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของคําพูดที่ดีงาม มันเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงจิตใจที่ดีงามแล้วก็ตัวตนที่ดีงามอย่างที่ผมย้ําเตือนกับพี่น้องที่รักไว้หลายๆครั้งครับพี่น้องแน่นอนในเรื่องของคําพูดที่ดีเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาจากหัวใจที่สะอาดบางทีมันอาจจะมาจากหัวใจที่สกปรกมันก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าสําหรับคนที่หัวใจสะอาดสิ่งที่ออกมาจากเขานั้นก็จะเป็นคําพูดที่สะอาดพฤติกรรมที่เขาทํานั้นก็จะเป็นพฤติกรรมที่สะอาดคือคําพูดพฤติกรรม กับใจมุสลิมเราจะสอดค้องกันไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันเป็นคนหยาบหยาบอย่างนี้แหละแต่ฉันก็รักอัลลอฮ์ฉันก็รักรอซูลถ้าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลจริงเพราะล้กล่าวว่าไงครับลราก็แกนาฟิโรซูลลไลอุสวาตุนฮัสนาตุนหมันแกเนียร์ุลโลว์เยียวมันอาเคศวะจักรลอฮ์กกะเีรันสำหรับในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ดีงามที่งดงามยิ่งสําหรับใครก็ตามที่หวังอัลลอฮ์และก็หวังโลกหน้า ก็แปลว่าเราทุกคนพัฒนาแล้วก็สามารถทาให้ดีขึ้นได้ท่านอัสรโยร์อวันฮูครับท่านได้พูดเอาไว้ครับพี่น้องครับในบันทึกขอยมาบุคคลนี้ก็มามุสลิมว่าเวลาขัดขัดทูรัสูลอลลอฮิสซาลลอฮฺุ่มุลม ش ر าสินีนฟะมากาลีัตอฟวะลากาลีเชอีนฟะลตุหูลิมฟลตะวะลาชอนลัมอัฟลอลฟลตะ ที่ท่รักท่านอานัสบินมาลิกท่านได้พูดไปครับว่าฉันได้รับใช้ท่า น, นา อ, ลลอับดุลโมสสุลลาะของอัลลอฮฺสุลแลมเป็นระยะเวลา10ปี10ปีที่ท่านอานัสบินมาลิกตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นรับใช้ท่านอบีมา10ปีคนที่อยู่กันมานานขนาดนั้นครับย่อมจะเห็นพฤติกรรมเห็นท่าแท้เห็นอะไรหลายๆอย่างคือถ้าคนที่เราเจอบางทีเจอกันชั่วครั้งชั่วคราเราก็เห็นแค่ภายนอก แต่ถ้าเกิดต้องอยู่ด้วยกันต้องนอนเดีวยวกันต้องกินเดีวยวกันไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็จะเริ่มเห็นท่าแท้กันท่านนัสบอกว่าไงครับฉันรับใช้ท่านนาบีมุสลิมมาสิบปีเนี่ยท่านนาบีไม่เคยแสดงเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจให้กับฉันเลยคำดา่าไม่ต้องพูดแค่เปล่งเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจ อย่างเช่นเฮ้อหรือว่าเฮหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ว่าเรามักจะมีเวลาลูกเด็กเล็กแดงอาจจะเป็นคู่ครองอาจจะเป็นบางทีพ่อแม่ด้วยซ้ำหรือว่าบางทีคนที่เรารักบางทีพอเราไม่พอใจปุ๊บน้ําเสียงมาก่อนก่อนที่จะไปถึงขั้นด่าใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดน้ําเสียงมาปุ๊บถ้ามันโกรธมากกว่านั้นอาจจะเป็นการด่าเลยจากการด่าก็า จ, จะเป็นการลงไม้ลงมือเลยจากการลงไม้ลงมือก็อาจจะไปที่มันลูกรามใหญ่โตวกว่านั้น ท่านนัสบอกว่า10ปีตลอดช่วงเวลา10ปีที่อยู่กับท่านนบีท่านนบีไม่เคยอุทานเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจไม่เคยอุทานถึงเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจท่านนัสไปรับใช้พอไปรับใช้บางทีมันก็ต้องมีเรื่องไม่พอใจบ้างแต่ท่านนัสบอกว่าท well ่านนบีไม่เคยอุทานอะไรที่แสดงถึงว่าท่านไม่พอใจเลยในขณะเดียวกันครับท่านนัสบอกว่าสิ่งไหนก็ตามที่ชั้นทําไป แน่นอนด้วยความเป็นวัยรุ่นครับแน่นอนด้วยความที่ไปรับใช้บางทีสิ่งที่ทํามันก็ต้องมีทั้งถูกใจกับไม่ถูกใจแต่ท่านนัสบอกว่าท่านนาบีไม่เคยพูดกับฉันเลยว่าทําไมเธอถึงทําอย่างนี้ไม่มีเลยซุบานัมวะไม่มีเลยแล้วก็สิ่งไหนก็ตามที่ฉันไม่ได้ทําท่านนาบีก็ไม่พูดเลยว่าทําไมเธอถึงไม่ทําอย่างนี้ล่ะถ้าเราดูในสายรายงานมีสายรายงานมากมายที่ท่านนัสอธิบายใ ห, ให้ให้ฟังว่ามีบางกรณีที่ว่า ท่านนบีบอกท่านนัสบอกว่าเธอทําสิ่งนี้สิก็คือบอกให้ไปทำอะไรสักอย่างแล้วท่านนัสบอกว่าเดี๋ยวสักครู่ผมเคยทำท่านนบีก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรซึ่งผลสุดท้ายก็เหมือนกับว่าท่านนัสพร้อมจะทําอยู่แล้วแต่อยากจะแกล้งท่านนบีซึ่งท่านนบีก็รู้ทันแต่ว่าท่านนบีไม่เคยที่จะหัวเสียอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสำคัญครับที่ว่าอยากจะพูดเตือนผมเตือนพี่น้องทุกท่านครับท่านนบีมุสลิมอิสลามไม่เคยหัวเสียในเรื่องดุนยา เลยตลอดช่วงเวาสิปีที่ท่านอาณาสรับใช้มามันสแสดงถึงอะไรครับความความเป็นตัวตนของท่านที่ท่านอิงไอชัชสรุปสั้นๆว่าไงนะครับอัคลากู้อัลกรุรอานนิสัยของนบีตัวตนของนบีคือเหมือนกับกรุรอานที่เดินได้นั่นคือตัวตนของท่านเราในฐานะอุมมะของท่านครับเราเชื่อฟังอัลลอฮ์เราเชื่อฟังหลอดศูนย์เราทําตามที่อัลลอฮ์สั่งเราทําตามที่นบีสั่งแล้วเราก็ต้องพยายามเรียนแบบพฤติกรรมของท่านนาบีให้มากที่สุด ใครก็ตามที่ว่ามีปัญหาในเรื่องหัวเสียโกรธง่ายหรือว่ามีอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดบ่อยพี่น้องที่รักครับเราพัฒนาได้เราเปลี่ยนแปลงได้แล้วปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นได้ผมมั่นใจว่าหลายท่านเสียใจกับความหัวเสียของเรามาหลายครั้งแล้วฉันไม่น่าใจร้อนเลยฉันไม่น่ารีบด่าเลยฉั น, นจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ฉันน่าจะฉันน่าจะฉันน่าจะพวกเราทุกคนสามารถควบคุมตัวเองให้ดีขึ้นได้ขอดัวเจ้าร้อยเรามีความอดทนมากขึ้นได้เหมือนกับที่ท่านอบีบอก ว, ว่าใครฝืนที่จะทน เอาล่ะใช่ให้เขามีความสามารถที่จะทนได้จริงๆในนิคไคแมนติลมีดีครับซาลตูอิชั่ท่านอับีอาบดิลละอิเจเดลีครับบอกว่าครั้งหนึ่งฉันเคยไปถามทต่อย่างอาชะ่ออุมุลมุมินินอันคูลุกิรัสูลีไลส ล, ล, ลาร์ของอะไรวัซัลลัมถามถึงมารยาทของท่านอาบีถามถึงตัวตนของท่านอาบีอย่างที่เราบอกคูลุกไม่ใช่แปลแค่ามารยาทแต่คุลุกคือตัวตนที่ว่าแสดงออกมาโดยที่ไม่ต้องคิด ไม่ต้องเสียแซงไม่ต้องปั้นมันออกมาเองอยากเป็นธรรมชาตินั่นแหละคือตัวตนของเราท่านอบบุอบดีลล้ไปถามที่อย่างไอาชาครับถามว่าตัวตนของนบีเป็นอย่างไรนิสัยของท่านนบีเป็นอย่างไรที่อย่างไอาชาบอกยังไงครับแลนเยกุลฟาฮิชันวะลาโมตฟาฮิชันวะลาสักฮาบันฟิลอัศวะวะลาจิตซีบิสเซียตีอัลเซียต้าวะลาคินยาฟูวะยาสฟะ สุบาอัลลอฮ์ครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุบะอัลลอฮ์แสดมตัวตนของท่านท่านอาชาบอกวาท่านนาบีไม่ใช่เป็นคนที่มีความกักกะหรือว่ามีมารยาทที่ต่ำทรามแลม้คุณฟาฮิชวะลาอุต์ฟาฮิชหมายความว่าแล้วก็ไม่ใช่คนที่ตอบโต้ความชั่วร้ายด้วยความชั่วร้ายคือคนบางคนอยู่ปกติก็เป็นคนเหมือนกับมีมารยาทก็พูดดีแต่พอมีใครทําไม่ดีใส่ปุ๊บตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันหรือยิ่งกว่า แต่ที่อย่าไอชาบอกว่าตัวตนของท่านนบีเนี่ยปกติท่านก็ไม่ใช่คนหยาบคายท่านก็ไม่ใช่คนที่หยาบกระด้างแล้วท่านก็ไม่เคยตอบโต้สิ่งที่หยาบกระด้างด้วยกับพฤติกรรมที่หยาบกระด้างนี่คือตัวตนของท่านนบีเวลาสคอบันฟิลอสวักแล้วก็ไม่ใช่คนที่ว่าชอบบวยวายที่ตลาดสุภานโลสคอบันฟิลอสวักนี่คือหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่พวกล้อรังเกียจมากที่สุดครับพี่น้องที่รักยิ่งครับ พี่น้องเคเห็นมไหมคนบางคนเวลาไปตลาดไปห้างสรรพสินค้านี่คือเสียงเจี้ยวเช้าบางทีพูดดังบางทีอุทธานบางทีด่าว่าบางทีคือสารพัดนะครับพอเข้าไปที่ไหนนี่คือคนรู้เลยว่าไอ้นี่มาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่โวยวายในตลาดซึ่งโวยวายในตลาดสกอบันฟิลแอสเวกเนี่ยครอบคุมไปถึงเวลาทําเรื่องของธุรกิจก็คือมีการพูดมีการใช้น้ําเสียงที่กดดันหรือว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกกลัวหรือว่าสร้างความบาดกลัวให้กับคนอื่น ไว้แล้วย่จะซีบิสัยยะติอัสัยะแล้วทนบีไม่เคยตอบโต้สิ่งที่ชั่วร้ายด้วยกับสิ่งที่ชั่วร้ายพี่นังที่รักนี่คือมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอินกุนตุมตัวฮิบุนัลลอฮฺฟัตตะบิอูนีจงการเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักพวกท่านสักครู่นะครับพี่นังที่รักครับล้วนั่อะไรตัุยาอาบีเลย ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องระวังกันจริงๆนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรครับหลายครั้งมันห้ามนับสูไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดมีคนมาทําไม่ดีมีคนมาพูดไม่ดีโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอย่างที่พวกเรามักจะเจอกันเป็นประจําแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็อาจจะมักพลาดกันบ่อยๆก็คือเวลาที่มีการพูดไม่ดีเรามัน่นใจว่าเราถูกแล้วมีคนที่เรามั่นใจว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาพูดไม่ดีบา้าบางทีเราก็ มักจะโกรธบางทีแล้วก็มักจะเกลียดบางทีแล้วก็มักจะด่าว่าบางทีแล้วก็มักจะตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่เลวร้ายเหมือนกับที่เขาทำแล้วเราเข้าใจว่าเรากำลังปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ครับพี่น้องกำลังทำลายศาสนาของอัลลอฮ์ต่างหาเพราะการที่เราเอาสิ่งที่ดีงามเอาสิ่งที่ถูกต้องไปเผยแผ่โดยใช้วิธีที่ชั่วร้ายหรือวิธีที่มารยาทซามถามว่าเขาจะมองอิสลามยังไง บางคนบอกไม่สนฉันพูดความจริงพี่น้องต้องสนครับขนาดพวกล้อตอนสั่งนบีมูซาไปพูดกับฟาโร่ชั่วที่สุดแล้วไม่มีใครชั่วกับฟาโร่แล้วแล้วก็ไม่มีใครดีกว่านาบีมูซากับนบีฮะรุนแล้วพวกล้อบอกว่าไงครับฟักูลาละหูเขาเ ล, ลาย์ยินาเธอทั้งสองจงไปพูดกับฟาโร่ด้วยกับคําพูดที่ดีงามด้วยกับคําพูดที่สุภาพหวังว่าเขาจะคิดได้ ไม่ใช่ผู้สุภาพเพราะกลัวมุสซิมต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเดี๋ยวมีประเด็นที่เราจะต้องคุยกันให้เคลียร์นะครับพี่น้องว่าการที่เป็นคนที่มีตัวตนที่ดีมีมารยาทที่ดีมีนิสัยที่ดีไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนที่ว่าหล่อแหละไม่ใช่หมายความว่าอ่อนอย่างเดียวเจอใครทําความผิดปุ๊บก็เงียบอย่างเดียวไม่ใช่แต่คือการที่เรามีจุดยืนที่ชัดเจนอันไหนผิดบอกผิดอันไหนถูกบอกถูกแต่รูปแบบที่เรานําเสนอเป็นรูปแบบที่ว่าเราอยากจะให้เขานั้น ได้รับการเปิดใจจากอัลลอฮ์เราไม่ใช่ไปบอกโดยที่เราเกียดเขาเรารักเขาเหมือนกับที่เรารักตัเองพระท่านอาบีบอกว่าไงครับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธาจนกว่าเขารักที่อยากให้พี่น้องเขาได้เหมือนกับที่เขาอยากได้กับตัวเขาเองเราอยากให้อัลลอฮ์ให้ฮีดายะเราเราอยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราเราก็อยากให้อัลลอฮ์ให้ฮีดายะพี่น้องเราอยากให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับพี่น้องเรา เพราะนันพี่น้องที่รักยิ่งครับโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมาดัวให้กับเราพี่น้องอย่ามองในด้านลบนะพี่น้องถ้าเกิดมามีคนมาดัวว่าขอเลี้ยงทางนําท่านมันเป็นเรื่องปกติที่ผู้รู้เขาเจอกันเขาจะพูดกันเหมือนเวลาเราจามใช่ไหมพอจามปุ๊บอัลหัมดินแล้วก็จะมีคนบอกว่ายะราคหมกูกระหล่อลเราก็ตอบว่ายะดีกุมุลละขอเลี้ยงนาทางคุณมันเป็นเรื่องปกติเมืันเป็นมารายาทครับเราจะไปมองเขาด้านลบด้านอะไรที่มันไม่ดีเขาขอดัวามาให้เราเให้ทางนําเราใช่ไหมอามนเลย เขาจะโกรธเขาจะเกลียดเราไงแต่นี่คือดวงอาแล้วมันเป็นวาที่ดีไหมล่ะถ้าดีอยากได้ไหมอยากได้อามินจบแล้วก็ขอให้เขาด้วยถ้าเขาผิดก็หวังว่าเรอดจะเปิดใจเขาเหมือนกับที่เราได้พูดคุยไปแล้วถึงรุ่นเหรนของท่านนบีมัสลิย์ซัมที่ว่าสองท่านมีความเข้าใจผิดกันเมื่อคนนึงพูดกระทบกระเทือนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งถึงเวลาก็ไปหายามค่ําคืนขอประตูแล้วก็บอกว่าหากที่คุณพูดเกี่ยวกับผมมันเป็นความจริงขอให้ร้อยยกโทษให้ผม แต่หากที่คุณพูดมันไม่ใช่ความจริงขอร้อยยกโทษให้กับคุณนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธานี่คือการด่าว่าแบบท่านอบีุลมฮัม ม, มัด ส, สุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัลลมพี่น้องที่รักที่นครับในยักุราอานนะครับคำว่าอุสวะฮัสซานะเมื่อกี้ที่ผมยกโทษล้อบอกว่าลก็ดกาในละปุ่มฟีรอซูลินแล้วในตัวของศาสนาทูตขอร้อยมีแบบอย่างที่ดีงามอุสวะฮัสซานะ คำว่าอุสวะฮัสนาที่พระองคพะพูดกับท่านนาบีมฮัมหมัดสลต่านฮุอัลเลาะสลลมพระองค์ก็ได้พูดถึงท่านนาบีอิบรอฮีมด้วยท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งบรรดานาบีทั้งหลายนาบีที่ท่านนาบีมุส ล, ล, ลิมฮุกอัลเลาะห์สุลต์ละมเรียกว่าชายคุลชายคุลน่ผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราท่านนาบีมุส ล, ล, ลิมกอัลเลาะห์ลมใช้คำฉายาต่างๆที่เรียกกัดนบีอิบราฮิมเป็นฉายาที่แสดงถึงความรักแล้วก็ให้เกียรต พ่อเลาะพูดในอายา t h i แสดงให้เราเข้าใจประเด็นที่เราพยายามพูดกันมาจนถึงตรงนี้ว่าการมีมารยาทที่ดีการมีตัวตนที่ดีไม่ใช่หมายความว่าจะไร้จุดยืนตรงกันข้ามในยักุรานนี้เราจะเข้าใจความหมายคําว่าอุสวาฮัศนาว่าแปลว่าอะไรในยักุรานี้พ่อเลาะได้บอกความหมายของคําว่าอุสวาฮัศนาที่มีในตัวอิบราฮิมอะลิสวาตัสแลมพราเรากล่าวว่าครับกเจลม قد جاء نزلكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين مع แน่นอนในตัวของอิบรอฮีมแล้วผู้ศรัทธาที่อยู่กับอิบรอฮีมล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับพวกเจ้าอัลลอฮ์กำลังบอกอย่าให้อัลลอฮ์รักใช่ไหมนี่คือกลุ่มคนที่อัลลอฮ์รับรองแล้วว่าอัลลอฮ์รักเขาเขาทุมทำตัวอย่างไรบ้างครับอิศกาลูลีกอมีฮิมอินนบุรออุมิงคุมว่ามิมาต اعبد ูณมิดูนิละฮิกัฟารนาบิกุมนี่คือจุดยืนของมุสลิมเราต้องชัดเจน พวกเราบอกนี่คือแบบอย่างที่ดีงามในการที่ว่าพวกเขาพูดกับกลุ่มชนของเขากลุ่มชนพูดกับกษัตริย์นัมรูดพูดกับกลุ่มชนไหนก็ตามแต่ที่ว่าท่านไปอยู่ด้วยพูดว่าอะไรครับอินนาบูรออะเราขอบอกเลยนะว่าเราไม่มีความเกี่ยวพันใดๆทั้งสิ้นกับสิ่งที่พวกคุณบูชากลับไหว้นอกจากกลาะรอดพวกคุณบูชาดวงดาวใช่ไหม เราเชื่อมันว่าดวงดาวนั้นเป็นมรคลุกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไม่ใช่คอลิกไม่ใช่ผู้สร้างแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พวกคุณกราบไหว้ที่ไม่ใช่พ Allah, ่ออัลลอฮ์เราขอประกาศจุดยืนเลยว่าเราจะไม่ไปกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นเด็ดขาดถามว่าผู้อย่างนี้มีมารยาทที่ดีไหมมีมีมารยาทที่ดีชัดเจนครับไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปว่าแต่นี่คือความหนักนะั่นนี่คือความมั่นคงว่าตัวตนคนที่มีตัวตนที่ดี คนที่ว่ามีความสุภาพต้องไม่ใช่คนที่หล่อแหลกนะต้องไม่ใช่คนที่อ่อนแอนะถ้าจะมีความสุภาพเรามีความสุภาพตามที่อัลลอฮ์สั่งตามที่เราสูญสั่งเรื่องไหนที่ต้องชัดเจนเราก็พูดให้ชัดเจนในรูปแบบที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจกาฟารนาบิกุลเราขอปฏิเสธทั้งหมดที่พวกเจ้านั้นกล่าวว่ว่าเบนาเบนะนาเบานะกุมอัยเวเวลบักดอิบะดันฮัดตาตูมินุบิลลาฮีวะฮเด แล้วแน่นอนถ้าเกิดคุณมีความเป็นศัตรูกับเราแล้วคุณไม่ยอมกลับว่าเอาล้อเพียงผู้เดียวมันก็จะมีความเป็นศัตรูระหว่างพวกเราไปเรื่อยๆคือเราจะไม่ขอญาติดีด้วยถ้าเกิดว่าคุณยังเลือกที่จะทาสิ่งที่ชั่วร้ายที่ทาให้อัลลอ์รังเกียจบอกชัดเจนพูดชัดเจนบอกชัดเจนนี่คือจุดดนของมุสลิม อิลล่าว่าอิบราฮิมเล่าพี่ให้เล่าสักฟรานน่าลักว่ามาอํานิคุลักะมีอัลลอฮมิเชลพราะระบกวันที่ท่านพูดอย่างชัดเจนยกเว้นในเคสหนึ่งสิ่งที่พวกเรามักจะพูดกันเป็นประจำครับสิ่งที่แสดงว่ากฎหมายกฎหมายหนึ่งดีแค่ไหนก็คือต้องดูว่ามีข้อยกเว้นดีแค่ไหนอย่างที่เขาบอกว่าข้อยกเว้นพิสูจน์กฎถ้ากฎหมายที่วางรอบครอบต้องมีข้อยกเว้นเผื่อเผื่อที่ทําให้มันกฎหมายนั้นครอบคุม พอล้อก็บอกครับในกรณีนี้คือมุสลิมก็ชัดเจนเลยกับศัตรูของอิสลามแล้วก็ชัดเจนบอกว่าเราก็กเป็นศัตรูกันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกลาบว่าอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนอกจากคําพูดของอิบราฮิมที่พูดกับพ่อของเขาอาซัร์อย่างที่เรารู้ครับพ่อของท่านอบีุลเบรอหฮิมสร้างเจวิดขายแต่ท่านอบีอิบรอหฮิมบอกว่าไงครับ ana, ana, ละอัลตักฟิรันนละอัลตัฟิรันล่พ่อผมจะขอจากอัลลอฮ์ให้ช่วยยกโทษให้กับพ่อ หมายความว่าในความเป็นเชื้อสายในความเป็นลูกเป็นพ่อมันก็ยังมีความผูกพันซึ่งในทีน่นี้ท่านอบดุลบริมได้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ให้ฮีดายะพ่อของท่านเพราะพ่ อ, พอท่านไม่มีทางจะได้รับการได้อภัยให้อภัยถ้าไม่ได้รับฮีดายะแต่ผลก็คืออัลลอฮ์รับนะครับอัลลอฮ์ไม่รับซึ่งท่านอบดก็ได้พูดชัดเจนครับว่าว่มาอัมลิกูและแกมินัลลอยมิใช่แต่ว่าผมก็ไม่สามารถช่วยอะไรพ่อต่อหน้าอัลลอฮ์ได้นะถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วย ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ผมจะพยายามขอดูอาให้ก็แปลว่าในความชัดเจนก็ยังมีความเมตตาอยู่ไม่ใช่ว่าพอมีความชัดเจนปุ๊บต้องรุนแรงต้องก้าวแล้วต้องชั่วร้ายหมดไม่ใช่เหมือนกับท่านนาบีมสุสลิมรอฮิสลามในแบบอย่างที่ท่านทำมาถ้ากับศัตรูของมุสลิมท่านก็ก้าวแล้วมาแ ข, ข็งมาท่านก็แข็งไปจะสู้มาก็พร้อมสู้นี่คือความเข้มแข็งของมุสลิมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่ไม่ใช่ศัตรู เป็นผู้ที่อยู่รอบข้างท่านอบีก็พูดด้วยดีต่อให้เขาไม่คลับอิสลามต่อให้เขายังคงสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับตอนที่ท่านอับดุลเลาะห์อุปยโยพไปที่นครมาดีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเขารับอิสลามก็มีคนที่เป็นกาเฟตมีคนเป็นมูนาฟิกเดียซัมยิวก็อยู่ในนั้นท่านอบีก็ทําพฤติกรรมกับทุกคนอย่างดีอย่างที่พวกเราทราบกันเรื่องราวมากมายครับพี่น้องที่รักไอยักษ์กุลาในสงครามมุมตาฮินะนะครับยังไม่จบ ท่านอบดุลบร์ฮีมครับภายหลังจากที่ประกาศความชัดเจนในจุดยืนและกลุมดีนนกุมวิเลยดินของพวกท่านคือศาสนาของท่านของเราก็คือศาสนาของเราหาพวกท่านจะมีจุดจีนเป็นจุดจีนของพวกท่านของเรามีวันอีทที่อัลลัคกำหนดไว้มันก็คือวันอีทของเราวันเฉลิมฉลองของพวกท่านก็เชิญพวกท่านตามสบายของเราเราก็มีของเราไปต้องชัดเจนไม่ใช่บางท่านในอุซบิลลาอินดารีครับอย่างที่ช่วงผ่านมาก็เป็นตุดของคนอื่นก็ ส่งจดหมายแสดงความดีดีในช่วงนี้ให้กับมุสลิมอีกตางหากนั่นเป็นความเข้าใจผิดและแสดงถึงความอ่อนแอในความเข้าใจในเรื่องแอบดีดาของมุสลิมเราคือบางคนไปเข้าใจว่าเมื่อมีมารยาทที่ดีมันก็ต้องอ่อนเนาะมันก็ต้องเข้าได้กับทุกสภาพการมันต้องปรับตัวได้ไม่ใช่ครับผมมันมีส่วนที่ว่าอ่อนได้เราอ่อนแน่นอนแต่ส่วนที่มันต้องชัดต้องแข็ง มันก็ต้องชัดมันก็ต้องแข็งอันนีออน้อิสลามชัดเจนอิสลามชัดเจนท่านในเบี้มันบอกว่าไงครับร บ, บ, านาานนบนอะอ้ายเลยแกทวกลนะไวเลยแกอาเนบนะไวเลยแกมะซีร์ไวเลยแลกมะซีร์ผู้ยุบานของเรานายของเรานี่คือดวอาของมูซิมที่เราขอที่แสดงถึงความเข้มแข็งของตัวตนของเรานายของเราเรามอบหมายตนต่อพระองค์ ต่อใหท่านอวีปบรมีจะโดนคนทั้งเมืองลุมเกียบจับท่านใส่ไว้ในตัวเครื่องดีดแล้วก็ดีดลงไปในกองเพลิงแต่ว่ากันน้นหนารับนานายในของเราเรามอบหมายตัวเรากับพระองค์ถ้าพระองค์ใค่เราตายเราก็ตายก็แค่นั้นถ้าพระองค์ใค่เรามีชีวิตเราก็มีชีวิตมันก็แค่นั้นมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรต่อให้ผู้คนทั้งโลกจะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเราถ้าล้อไม่ให้ช่วยได้มันก็ช่วยไม่ได้ ต่อให้คนทั้งโลกไม่ช่วยอะไรเราเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์จะช่วยการช่วยของอัลลอฮ์ก็ไม่มีใครห้ามได้เพรา ะ, ะนั้นมุสลิมเราครับใจเราสงบครับที่เรามีมารยาทที่ดีที่เรามีตัวตนที่ดีเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนี่คือแบบอย่างนบีเราก็เลยทําตามแล้วเราก็มีความรักให้กับมนุษยชาติเช่นเดียวกันเราก็อยากให้เขาได้ดีนี่คืออามานะของเราแต่ความชัดเจนของเราก็ต้องชัดเจนไม่สั่นคลอนตัวบทว่ายัางไง ว่าอย่างนั้นชัดเจนรบบนันไอเล่คตวัคยานายของเราเราขอมอบหมายต่อพระองค์ว่าอิเน่กันนับนาถ้าเราผิดพลาดอะไรเราจะขอกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์เท่านั้นหมายถึงถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันผิดเราต้องดูว่าผิดอะไรผิดใจเขาดื่นหรือผิดใจอัลลอฮ์ถ้าผิดใจอัลลอฮ์เราขอโทษอัลลอฮ์อายะกรานี้ที่บอกว่าว่าอิเล่กอนนับนาเราจะขอกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์แปลว่าคนที่จะมาตัดสินว่าเราผิด คือกฎเกณฑ์ที่เราล็อกําหนดเท่านั้นไปว่าถ้ากฎเกณฑ์ขเขาล็อบอกว่าเราไม่ได้ผิดมันก็ไม่มีเหตุที่เราต้องไปสแสดงการกลับเนื้อกับตัวอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเรายืนหยัดในความชัดเจนของเราเมื่อเรากลับไหวเพราะเราล็อเพียงองค์เดียวเราไม่ได้ไปกลาบไหว้สิ่งอื่นด้วยถ้ามีคนมาบอกเนี่ยทำไมไม่ยอมกลับไหวคืนเขาก็กลับไหว้กันถามว่าเราต้องขอโทษต้องรู้สึกผิดไหมถ้าจะขอโทษก็บอกว่า ละกุมดินกุมวิทยดินขอโทษด้วยนะผมกราบไหว้สิ่งที่บุคุณกราบไหว้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างผมกราบไหว้เพียงอัลลอฮ์เท่านั้นก็ให้ชัดเจนว่อีเลยกัลมาซีดถึงเวลาเราต้องกลับไปหาพองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาละมาซีดคือการกลับไปเป็นการพักพิงหลังจากที่มีความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่มีความเหนื่อยยากในกุรอานสำนวนคําที่อลัลลอฮใช้เป็นสำนวนคําที่งดงามการกลับไปแล้วมักจะเจอสองคำมาซีดกับหนูชู หนูชูดหมถึงกลับไปเพื่อไปทํางานต่อกลับไปเพื่อไปทําอะไรต่อไปแสวงหาความสุขเพื่อไปพักผ่อนเพื่อไปทํหนึ่งอย่าเพื่อไปทํานี้นั่นคือหนูชูดส่วนมาซีดหมายถึงว่าเป็นคําที่ให้ความหมายว่าหยุดจากความเน็ดเหนื่อยในดุนยาแล้วหนุดจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วจากความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียจากความปวดร้าวจากความเหน็ดเหนื่อยมาซีดได้กลับไปหาเราพอเป็นคําคํานี้แปลว่าไงครับเป็นคําที่ใจเราสงบ หมายถึงว่าเราจะสู้เราจะอยู่ต่อไปแลาจะศรัทธาเราจ ะ, ะเผชิญกับบททดสอบของอัลลอฮ์เราจะสู้กับบททดสอบของอัลลอฮ์ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อซียเราจะได้กลับไปยังพวงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานั่นคืออัล ส, สุกูนวัตตอมานีนะนี่คืออัลมาเสียความเหนื่อยยากของมุสลิมเราเราเหนื่อยไปเรื่อยๆเราจะอดทนเพื่อพวงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาจนกว่าจะถึงวันที่ว่ามันเป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง แต่ถ้าพี่น้องเลือกที่จะสบายตั้งแต่ดุนยาไม่อยากจะเหนื่อยตั้งแต่ในดุนยาถึงเวลาไปโลกหน้าพี่มันจะไม่มีคาว่ามาซีสําหรับพวกเราซึ่ง نعوذ ب ا ل ل รบ ن นาล ك ربنا لا تجعلنا فتنة ل الذين كفروا พี่น้องที่รักนี่คือดวงที่งดงามมากท่านอบีุลบห์ริมได้ขอดูอว่าอย่างไงครับท่านอบีุลบห์ริมเป็นถ้าเราดูในกุรอานครับดวงของท่านจะเป็นดอาที่ที่งดงามแล้วครอบคุมเป็นดวาที่ฉลาดมากๆรบ ر นา นายของเราโปรดอย่าได้ทําให้เรานั้นเป็นตัวปัญหาให้กับผู้ไปเสียศรัทธาเป็นฟิตเนสกับผู้ไปเสียศรัทธาคําว่าฟิตเนสแปลว่าอะไรถ้าแปลตรงตัวแปลว่าความวุ่นวายในอัลกุรอานในฮะดีษฟิตเนสหมายถึงความวุ่นวายที่ส่งผลกระทบกับการศรัทธาอะไรก็ตามที่เสดเกิดขึ้นมันเป็นความวุ่นวายที่ส่งผลกับอิมานเช่นลูกหลานกับทรัพย์สินลูกหลานดีไหมดี แต่ถ้าเราไม่ระวังจะส่งความวุ่นวายให้กับ إ ม م ا ن ของเราไหมส่งผลบางคนจะละหมาดละหมาดไม่ได้ติดลูกติดหลานบางคนอยากจะทำความดีบางคนอยากจะทำฮัทบางคนอยากจะทําอะไรก็ตามแต่ทําไม่ได้เพราะบางทีติดลูกติดหลานเช่นเดียวกันกันกบทรัพย์สินทรัพย์สินถาวรเป็นสิ่งที่ดีไหมทรัพย์สินสุดยอดความดีเพราะว่าทรัพย์สินนั้นถูกใช้ทําสิ่งที่เราลออรักมากที่สุดได้นะั่นคือการบริจาคเพราะนั้นใครบอกทรัพย์สินไม่ดีทรัพย์สินดีครับ แต่มันเป็นฟิตนะว่าถ้าเราได้มันมาหรือเราพยายามขนขวายมันมาโดยใช้วิธีที่ผิดมันจะส่งผลกับอีมานเราทันทีเพราะฉะนั้นย้ำนะครับพี่น้องคำว่าฟิตนะไม่ใช่แปลว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีทิธรบีพูดถึงฟิตนะมีอะไรบ้างมีผู้หญิงมีทรัพย์สิสนในกุลางก็มีลูกหลานแล้วก็มีหลายอย่างคาว่าฟิตนะหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเราครับว่าสิ่งเหล่านั้นนั้น เราต้องรับมือให้ดีๆเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะท่านอับดุลเบียร์อัลสุลามบอกว่าชายใดก็ตามที่ว่าได้ผู้หญิงที่ดีศาสนาของเขาเครึ่งหนึ่งสบายไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ผู้หิงเป็นฟิตรนะแต่ท่านอบดบีบอกว่าถ้าชายใดได้คู่ครองเป็นผู้หญิงที่ดีศาสนาของเขาเครึ่งนึงได้รับการปกป้องเรียบร้อยแล้วเพราะผู้หญิงที่ดีก็จะคอยผลักดันส่งเสริมเขาก็เหลือแต่เขาต้องทําตัวให้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เพราะนั้นย้ำครับคำว่าฟิตนะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกับการศรัทธาถ้าใช้ผิดนบีบรหิมขอดวาว่าไงครับนายของเราอย่าทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ไปเสดสัทธาไม่ศรัทธาสําคัญนะพี่น้องหลายครั้งที่เราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยคนไปเสดรัทธาคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยบางทีเขามาคุยกับมุสลิม ซึ่งบริมุสลิมอาจจะรักอัลลอ์มากอาจจะรู้สึกว่าฉันจำเป็นต้องเผยแผ่ศา ส, สนาะขอล้อฉันต้องพูดฉันต้องทำให้เขาเข้าใจแล้วลืมไปว่ามันต้องเลือกวิธีที่ถูกอุดอูอีลาสเบียรบิกับิลฮิกมาตีว่าเมาอิซาติลฮนะจงเรียกร้องไปสู่พี่บาลของเจ้าไปสู่นายของเจ้าอัลลอ์สั่งให้เราเรียกร้องบิลฮิกมะโดยต้องใช้ความคิดสติปัญญาให้ดีวเมาอิซฮลฮนะแล้วก็ต้องเรียกกับการตัเกเตือนที่ดีงาม หลายครั้งเราจะพบว่าบางทีมุสลิมจะไปเตือนบอกนี่นะต้องเป็นอย่างนี้นะพอกาเฟตเขาด่ามากรกะดากับหรือบางทีก็เาโตบทมาตบหน้าเหมือนกับตบหน้าคืยกโต้บทที่บอกต้องลงลนรกนะหรือต้องอะไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นมันล้วนตะเพิดคนที่แทนที่เขาจะได้ฮีดายะวาอาลอัลลัมเขาอาจจะได้ฮีดายะแต่พอมาพูดกับเราเอาความจริงมานําเสนอผิดวิธีมันกลับกลายเป็นการถีบเขาให้ออกไปจากการเป็นมุสลิม สุภาอัลลอฮ์และต่จะเลนาฟิชนาตัลลิลลดีนะก็ฟรูนะของเราโปรดจะได้ให้เราเนี่ยต้องเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ไปเสศทานั้นยิ่งหลงผิดไปวักฟิชและนารับบานานายของเรายกโทษให้เราด้วยเพราะเราอาจจะพลาดเมื่อไหร่เราไม่รู้ นี่คือความนอบน้อมของตนนี่คือตัวตนของนบีอิบราฮิมหากใครอยากรู้ว่าตัวตนท่านเป็นอย่างไรดูดูอาที่ท่านขอในกุรอานแล้วจะรู้เลยว่านั่นแหละคือภาพลักฉายสะท้อนให้เรารู้ว่าตัวตนของนบีอิบรอฮิมนั้นท่านเป็นคนอย่างไรทั้งๆที่ต้องทิ้งลูกทิ้งครอบครัวทั้งๆที่ต้องเชือดลูกทั้งๆที่บททดสอบสารพัดที่เจอแต่นี่คือตัวตนของคายลีลุลละคนที่อัลลอฮ์รักแล้วก็ฉายาว่าเป็น สหายของเราวัฟิดลนบนอินกันตลอซซุลฮะกมนายของเราพงนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรผู้ทรงปรีชาญาณรอบรู้ยิ่งในทุกสิ่งทุกอย่างวก Allah ้ละกัดตอลกัดกานละคุมฟีหิมอสวะตุนฮสนตุนลิมันกาน ย, รยัรจุลลอฮะวัลเวมัลอาครวะมียัตวัลล์ฟีนัลลอฮวลกนิยุลฮมีด พลอ์กล่าวว่าไงครับแน่นอนชัดเจนแล้วว่าในตัวของพวกเขาคือนบีบรหิมกับผู้ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนบีอบรหิมท่านหญิงซาระท่านหญิงฮะจัดนบีสมาอีนนบีซัดนบีลุดกับผู้ศรัทธาอีกหยิบมือหนึ่งที่อยู่กับท่านนบีบรหิมพราลอ์บอกไงครับแน่นอนในกลุ่มของพวกเขานี้มีแบบอย่างที่ดีงามสําหรับผู้ใดก็ตามที่หวังอัลลอฮ์แล้วก็วันสิ้นโลกแล้วใครก็ตามที่เลือกที่จะหันห่างออกไป จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเลือกที่จะหันห่างออกไปจากการดำเนินตามแบบอย่างที่ดีงามนี้ฟาอินน l ลอฮูอัลลอฮนียูลฮามิดร้นนั้นเป็นผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยพวกเราอไม่ต้องพึ่งใครใครอยากจะไปไหนเรื่องของเขาต่อให้คนทั้งโลกต่อให้ผมนนะอุซบิลไลมัสิกหรือใครก็ตามจะเป็นกาเฟสหมดมันไม่ได้ทำให้ผูร้ตกต่าไม่ได้ทาให้ร้ต่ต้อยไม่ได้ทให้ศาสนาอิสลามตกต่าเลย ไม่เกี่ยวเลยผวัล้อนั้นทำในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงประสงค์ผูัล้อสร้างดุนยาตั้งแต่มันไม่มีอะไรแล้วก็ดูแลมันจนถึงตรงนี้แล้วถึงเวลาผู้ล้อก็จะทำลายมันด้วยตัวพระองค์เองเพราะนั้นเราไม่ได้มีอะไรเลยครับผมกุลมายะบูบิคุมรับดีเราละดูอาอุคุมฟะกะจัดดับตุ้มฟะเซลไฟกูนุดิซามะผูะเ้อกล่าวไงครับจงกล่าวถึมฮัมมัด มายะอบูบิค <têm S 1> oh, ุมรับีนายของเจ้าจะไม่แคร์อะไรเจ้าเลยเราละดูอาอุคุมถ้าไม่ใช่เพราะว่าพวกเจ้านั้นยังวิงวอนขอต่อพระองค์เพราะการที่เรารู้ว่าเราเป็นบ่าปที่ต่ำต้อยเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเรายังทํามันได้ไม่ดีพอเรารู้เรายังมีความบกพร่องเรารู้ว่าเรายังมีสิ่งที่เราล่วงเกินผู้อะ่นเรายังรู้ว่าเรามีสิ่งที่เราล่วงเกินผู้อื่นเรายังรู้เรายังมีข้อผิดพลาดมากมายเรายอมรับในความผิดบาปของเราทั้งที่เรารู้แล้วที่เราไม่รู้ แล้วเราก็มีความขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาเราด้วยอัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราด้วยอัลลอฮ์ปวดให้ริสกีแกเราด้วยอัลลอฮ์ปวดให้ความใกล้ชิดแกเราด้วยอัลลอฮ์ปวดนําทางแก่เราด้วยกุ่มมายะบุบิคุมรอบบิเราละดุอาอุคุมฟะกรกับจับตุ้มฟะเซฟฟายะกูนูดิซามาจงกล่าวเถิดผู้อวิบานของเจ้านายของเจ้าไม่แคร์อะไรเจ้าเลยถ้าไม่ใช่เพียงเพราะว่าเจ้านั้นยังบูงวลขออยู่แต่ถ้าว่าพวกเจ้ายังเลือกปฏิเสธกัน ฟอสเฟอร์จากูนุรีซามาแล้วผลที่จะได้รับมันก็เป็นผลที่คู่ควรแล้วกูหลุนับสิมบีมากระซาบรอฮีนะพราเกล่าวว่าไงครับทุกๆชีวิตในสิ่งที่เขาทำมันไปอะ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวประกรันค้ำประกันเขาไว้รอฮีนะภาษาหลับครับหมายถึงอะไรครับเวลาที่เราจะไปยืมเงินใครแล้วเราทรัพย์สินไปค้าค้ำประกันไว้ ถ้าฉันคืนเงินไม่ได้ก็ทรัพย์สินนี้ไปเพราะเราใช้คําว่าคนทุกคนจะถูกผูกกับการงานที่เขาทําเหมือนกับที่เราถูกผูกกับทรัพย์สินของเราที่เราเป็นหนี้อัลลอฮ์อยู่ไรนะถึงเวลาเราต้องรับผิดชอบในทุกคําพูดถึงเวลาเราต้องรับผิดชอบในทุกๆพฤติกรรมของเราโดยที่อัลลอฮ์เบอร์มาลับุกะบิซอนและมิลิลาบีนัของเจ้านั้นไม่ได้อธิรมต่อบ่าวของพระองค์แม้แต่เรื่องเดียวเลย พี่น้องที่รักยิ่งครับพวกเราล่อเก่าเนีครับพวกเราเป็นผู้ที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นผู้ที่คู่ควรได้รับการสรรเสริญมากที่สุดเพราะต่อให้ใครปฏิเสธศรัทธาเอาลอกก็ยังให้ความเมตตาเอาลอกก็ยังให้สิ่งดีงามกับเขาในดุนยาเอาลอกก็ให้เขามีชีวิตให้เขามีสุขภาพให้เขามีลูกหลานให้เขามีทรัพย์สินให้เขามีความสมบูรณ์ให้เขามีอาหารให้เขามีอะไรต่างๆนี่คืออัลฮามีดผู้ที่คู่ควรได้รับการสรรเสริญมากที่สุด เพราะนั้นพี่นังที่รักเราจะเห็นว่านี่คือการเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งมันส่งผลออกมาถึงคําพูดที่เราได้พูดออกมาในบันทึกของอิมามมุสลิมครับจากท่านอบูฮุเรลรอริยัลลอฮ์อันฮุนะครับกิเลยาราัสลลัลลอฮ์อูดอูอัลัลมุสลิกีนมีครั้งหนึ่งครับมีซอบาพูดจับในบีบอกยาหราัสลลัลลอฮ์ทำไมท่านไม่ดูอาสาบเช่นพวกผู้ตั้งภาคีเลยล่ะเพราะท่านอบีเผยแผ่แม้อย่างที่เรารู้กันครับที่นครมักกะสิบสปีมาดินาสิบปี คนที่เข้ารับอิสลามก็เข้ารับคนที่ไม่เข้ารับก็ไม่เข้ารับคนที่เกียดก็เกียดไปเลยซอบาบางส่วนก็ถามนาบีอัลสุลอละทำไมไม่ดูอาสาบแช่งพวกนี้ไปเลยล่ะทําความชั่วคู่คัวในขนาดนี้เลวขนาดนี้สาบแช่งไปเลยสิถ้าท่านนบีข อ, อรับไหมเอาล่ะรับแน่นอนพี่น้องรู้ไหมท่านนบีตอบว่ายังไงพอมีคนไปถามท่านนบีว่าทําไมไม่สาบแช่งมุชลิม ท่นนานอับดุลเลาะห์สลุลต่าบอกว่าครับอินน ah ิลัมอุบะอัสลอาอานันว่าอินน์มาบุอิสตูรห์มัตะรห์มัตะอัลลอฮ์ไม่ได้แต่งตั้งฉันมาเพื่อให้เป็นคนที่ชอบสาบแช่งชอบด่าวา่าลัมอุบัสละอานฉันไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาให้เป็นคนชอบสาบแช่งแต่ฉันถูกแต่งตั้งมาถูกคัดเลือกมาเป็นศาสนาทูตคนสุดท้ายคอตมันนบียิน ราะห์มะตะลิลอาลลมินว่ามาอัลสลนะกะอิลล่าราะห์มะตะลิลอัลลมินเพราะวการในคุรานว่าไงครับเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อใดนอกจากเป็นความเมตตาให้กับสากลโลกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่โลกของมนุษย์โลกของสัตว์โลกของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านอับดุลเบี๊ยงมัสลิมได้รับการแต่งตั้งความยุติธรรมกฎหมายไม่ใช่มีเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมไม่ใช่เฉพาะมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม คอบคุมไปแม้แต่กระทั่งสิงสาราสัตว์ครอบคลุมไปถึงท่านสิ่งของต่างๆครั้งหนึ่งท่านนาบีมุสลิมเดินผ่านอูดตัวหนึ่งอูดเมื่อเห็นท่านนาบีครับเอาล้อยให้มันรับรู้รับรู้ถึงความเมตตาความใจบุญของท่านนบีอูดร้องไห้น้ําตาไหลออกมาท่านนบีได้ลูกที่อูดตัวนั้นแล้วก็ถามว่าใครคือเจ้าของอูดตัวนี้มีคนบอกกับนบีครับว่าเจ้าของเป็นเด็กหนุ่มคนนึง ซึ่งชอบทุบตีอูดคุณนบีรู้อยู่แล้วว่าอูดเนี่ยมีอาการอย่างนี้คือต้องร้องเรียนท่านนบีมัสลลอร์สลามก็บอกว่าใครที่ไม่รู้จักเมตตาเขาจะไม่ได้รับความเมตตาแม้แต่กระทั่งสิงสารสัตว์อูดเป็นสัตว์ที่เชื่อเพื่อรับประทานได้ถ้าเราดูในความเชื่ออื่นครับจะฆ่ากินอยู่แล้วทำยังไงก็ทําไปจะช็อตจะเอาค้อนปอนทุบจะทําให้มันทรมานางไงก็ทํำไปเถิดแต่อสซามสอนว่างไงครับอิดาสบะตุมะ้มฝาินุ๊ซิผะ เวลาคุณจะเชื่ออะไรก็ตามนะคุณต้องเชื่อโดยที่อาศัยความอ่อนโยนที่สุดให้มันทรมานที่น้อยที่สุดฟ้าหิา้วไฮโดรคลอสฟรัตหูเวลาฝนมีดเนี่ยรับให้มันคมกริบอย่าให้สัตว์เห็นมีดก่อนแล้วอย่าให้สัตว์ตัวหนึ่งเห็นว่าสัตว์อีกตัวหนึ่งกำลังถูกเชื่อดนี่คือรอมาความเมตตาของนบีแล้วก็เป็นตัวตนของท่านตัวตนท่านเป็นแบบนี้เลย แล้วเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีตัวตนของท่านยิ่งดีขึ้นไปอีกแล้วอย่างที่เราทราบครับโดยเฉพาะเดือนอรมดอนมา ก, กับที่ท่านอิงม่าอยชาบอกว่าท่านนบีเป็นคนที่ใจบุญ ส, สุดแล้วยิ่งช่วงเดือนอรมดอนท่านจะยิ่งใจบุญมากขึ้นไปยิ่งใจดีมากขึ้นไปอีกรมาบมานอรามาตลิินเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อใดนอกจากที่จะเป็นความเมตตาให้กับสากลโลกพี่น้องที่รักยิ่งครับ เราไม่อยากเป็นตัวเราที่ดีกว่า น, นี้เหละพี่น้องมาลองนั่งคิดดูถ้าเกิดแล้วนั่งคิดดูถึงอดีตเราคิดถึงแต่ตอนเด็กพี่น้องจำความคิดตัวเองตอนเด็กได้ไหมพี่น้องคิดว่าถ้าเกิดเป็นตัวเราตอนอายุสิบขวบมาเจอเราตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกชอบจะรู้สึกประทับใจหรือรู้สึกผิดหวังคนเราทุกคน ผิดพลาดได้คนเราทุกคนหลงลืมได้คนเราทุกคนทั้งเผยได้แต่ว่าเราไม่อยากเป็นตัวเราที่ดีกว่านี้เละเราไม่อยากเป็นเราที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยถ้าเราอยากเป็นตัวเราที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับหรือพี่น้องอยากใจลูกหลานของพี่น้องเป็นคนที่มีอั卡尔ากษอิสลาม ไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอ์มีความเข้มแข็งทางทจิตใจมีจุดยืนที่มั่นคงในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีอคต์ที่งดงามเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีความ ส, ส, รนนมามสรจริงจงห้าอย่างที่เราต้องทำไม่ได้ห้าอย่างที่เราต้องทำให้ได้แล้วเราต้องระวังถ้าเกิดกับใครที่จะทำกับลูกหลานตัวเองยังไม่มีคำว่าสายห้าอย่างนี้พี่น้องต้องระวังนะกับตัวเราเองบางอย่างอาจจะสายไป ห้าอย่างที่จะทําให้ตัวตนของเราเป็นอัคลักที่เป็นมุสลิมจริงมีปัจจัยอยู่ห้าอย่างด้วยกันปัจจัยอยู่ห้าอย่างที่ทําให้ตัวตนของเราเป็นตัวตนของมุสลิมปัจจัยข้อที่หนึ่งครับปัจจัยข้อที่หนึ่งเป็นธรรมชาติที่เลี้ยงล่อให้กับคนทุกคนเป็นปัจจัยที่เราอาจจะเสียมันไปแล้วลูกหลานเราอาจจะยังไม่เสียมันคืออะไรครับยูละดุดิสานุอัลาฟิตเตาะ อยู่ระดับอินเซนไอเลฟิตเตอร์ท่านบีุลโมสลลอสมบอวาคนทุกคนที่เกิดมาเขาเกิดมาในสภาพตามธรรมชาติที่งดงามเป็นผ้าขาวที่พร้อมเปิดใจให้กับอัลลอที่พร้อมเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอเป็นผ้าขาวที่พร้อมที่จะรับฟังการตักเตือนพร้อมที่จะระวังจากสิ่งที่อัลลอรังเกียจ เห็นด้วยไหมครับเด็กเล็กๆเด็ก น, น้อยเวลาเราเอาเขามาพูดถึงเรื่องอาวร์พูดถึงเรื่องของผู้สร้างมาทําให้เขาเข้าใจเรื่องของอิสลามเขาเปิดใจรับเหมือนกับเหมือนกับสกอ็อตไบอะครับเหมือนกับฟองน้ําที่ว่าพอเอาน้ําใส่ปุ๊บพร้อมที่จะอุ้มให้ชุ่มชําพี่น้องเอาเขาไปโอบอุ้มน้ําอะไรน้ําสะอาดหรือน้ําสกกระปงคืออย่างที่ผมบอกบางทีเราอาจจะสายไปแล้วในเรื่องของ ปัจจัยที่หนึ่งเพราะว่าเราโตกันแล้วแต่กับลูกหลานของเรามันยังไม่สายถ้าเกิดเราให้เขาอยู่ในสภาพตามที่เขาเป็นเราไม่ได้ชี้นําสิ่งที่ชั่วร้ายให้กับเขาไม่ได้ไปสอนสิ่งผีๆให้กับเขาไม่ได้เอาชีวิตไปกอรอกของเขาไม่ได้เอาเรื่องไม่ดีไปกอกของเขาบอกระวังนะเดี๋ยวผีมาหลอกผีอย่างนั้นผีอย่างนี้ทําให้เด็กโตมาเชื่อเรื่องผีกลัวเรื่องผี บางทีเราเป็นคนปลูกฝังสิ่งชั่วร้ายให้ลูกเป็นการเปลี่ยนแปลงลูกเองเพรา ะ, ะนั้น จ, จุดเริ่มต้นของอัครักษณ์ที่ดีอัลลอฮและนบีรับรองว่าคนทุกคนสามารถเป็นคนดีได้หมดเพราะคนที่คนเกิดมาเกิดมาตามธรรมชาติที่งดงามพร้อมจะเป็นคนดีเพรา ะ, ะนั้นสร้างสิ่งที่จะไม่ไปทำรายเขาตัวตนของเขา อันที่สองครับปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกับอัคารลักษณ์ของคนคนนึงคือครอบครัวของเขาสภาพครอบครัวของเขาหมายความว่าไงครับถ้าหากว่าคนเป็นพ่อถึงเวลาปุ๊บไม่จำใจจาชีจำใช้ลูกในเรื่องของการละหมาดไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องศาสนา หรือถึงเวลาคนเป็นแม่แล้วเจอหลายเคสมากเลยทุกแม่ปุ๊บถึงเวลาก็อยากจะส่งลูกอยากไปเรียนเต้นบัลเล่อยากไปเรียนเต้นลีลาไปเล่นเปียโนไปเล่นกีตาร์ไปทำอะไรที่ว่ามันฝ่าฝืนคำสั่งของเราหรหรือบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ก็แอบไม่ฮาลาลอย่างส่งไปฝึกว่ายน้ำแล้วก็ให้แต่งตัวเปิดเอารอ หรือไปเล่นกีฬาที่ว่ากีฬาบางอย่างมันก็ฮาลานแต่ในขณะเดียวกันกับไม่สนใจที่จะปลูกฝังความเป็นมุสลิมให้กับลูกแล้วคิดว่าลูกฉันเกิดเป็นลูกมุสลิมมันก็คงเป็นมุสลิมไม่ใช่มันอยู่ที่การปลูกฝังของครอบครัวไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นพี่น้องครับปัจจัยแรกที่ทําให้คนมีอัคารลักษ์ที่ดีอัลลอฮ์สร้างคนทุกคนมาให้มีอัครลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วอันนี้คือข้อสรุปที่เราได้เรามีปัจจัยพร้อมอยู่แล้วคือไม่ได้สร้างมาให้เราเป็นคนหยาบ สร้างเรามาให้เราพร้อมที่จะมีอัคาราชที่ดีหลังจากนั้นครับสภาพครอบครัวฟาอับบาหูยูฮาวีดานีเอาอยู่นอซอร์อนีเอาอยู่มาจิซานีพ่อแม่ที่ทำให้ยัดเยียดความเป็นคริสต์ยัดเยียดความเป็นยิวยัดเยียดความเที่ยวจะไปกราบไหว้ไฟหรือว่าความคิดผิดผิดความเชื่อผิดผิดตัวเรานั่นแหละเอาอะไรปลูกฝังให้กับลูกบางอันที่สมครับพี่น้องสิ่งที่เราพูด สำคัญก็จริงสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เราเป็นพี่น้องครับด้วยความรักเราไม่สามารถหยิบยื่นสิ่งที่เราไม่มีให้คนอื่นได้พี่น้องเห็นด้วยไหมถ้าเราไม่มีอัคารลักษณ์ที่ดีเราจะไปสอนให้คนอื่นมีอัคารลักษณ์ที่ดีเป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับอักขลักษณ์ที่ดีเราจะไปสอนคนอื่นให้เห็น ใ, ให้ความสําคัญกับอักคลักษณ์ที่ดีเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ต่อหน้าลูกบางทีด่ากันใช้คําหยาบแล้วอยากแก้ลูกมีอักขลักษณ์ที่ดีเป็นไปไม่ได้พอแม่ถึงเวลาอยากให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนัต์จริงเป็นคนไม่โกหกแต่ถึงเวลาพ่อโกหกลูกแม่โกหกลูกสัญญาไม่ทำตามที่สัญญาหรือบางทีใช้ให้ลูกไปโกหกคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าเราอยาก ได้ลูกที่มีความซื่อสัตย์คนที่ไม่มีสิ่งใดเขาไม่สามารถหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราอยากให้ลูกหลานเราเป็นลูกหลานที่มีอัครลักษณ์ที่ดีมีความเป็นมุสลิมเราต้องเติมเต็มมันให้ตัวเราเองก่อนเราต้องไม่ใช่คนที่ว่าถึงเวลาปุ๊บอยากให้ภรรยาเราได้ศาสนาอยากได้ให้ลูกมีศาสนาถึงเวลาปุ๊บขับรถเอาลูกเอาเมียไปเรียนศาสนาแต่ตัวเองนั่งอยู่ข้างนอก ตัวเองไปนั่งคุยกันนั่งโม้กันด้วยกับความหลงผิดว่าฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วฉันไม่จำเป็นต้องฟังทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าถ้าถามก็ตอบอะไรแทบจะไม่ได้บางทีเข้าใจเองว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องฟังมันเป็นเรื่องของผู้หญิงมันเป็นเรื่องของเด็กซึ่งเราจะพบว่าเมื่อมีการพูดคุยเรื่องศาสนาส่วนใหญ่คนฟังมักจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายผู้ใหญ่ของเรา จำนวนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับความคิดของเขาศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วแต่ว่าอิสลามในตัวเขาสมบูรณ์หรื อ, อยังนี่คือตัวตนที่ว่าเราต้องตรวจสอบตัวเองอยากให้ลูกหลานมีตัวตนที่ดีเราต้องทําตัวเองให้มีตัวตนที่ดีอยากให้เขาซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์อยากให้เขาไม่พูดคำหยาบเราก็ต้องไม่พูดคำหยาบไม่อยากให้เขาผิดเวลาเราก็ต้องไม่ผิดเวลา การสั่งคนอื่นมันง่ายกว่าทาเองหลายครั้งพ่อแม่ชอบสั่งลูกทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมทำไมทำไมทไมไมซึ่งบางทีไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าที่กำลังดาดลูกหลานเนี่ยตัวของพ่อแม่ลุ้ลวนเลยบางทียิ่งโตหัวใจเราก็ยิ่งหยาบกระด้งอันที่สี่สคัญมากครับพี่น้องถ้าอยากให้ลูกหลานมีอัคักษ์ที่ดีแล้วถ้าพี่น้องอยากมีอัคักษ์ที่ดีเช่นผมผมก็อยากมีอัคกษ์ที่ดีเช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่อยากมีอัครลักษณ์ที่ดีครับพี่น้องสภาพแวดล้อมสําคัญมากดีดูดีนุลมรอีอัลขลิลีฮีฟันยันุดอาดฮะฮุมอิลามันยุขลิลท่านเบีมัสบิมได้พูดในความหมายที่ว่าศาสนาของค น, ง ค, นคนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับเพื่อนของเขาศา ส, สนาของคนคนนึงขึ้นอยู่กับเพื่อนของเขา เขาคบเพื่อนแบบไหนศา ส, สนาเขาจะเป็นในรูปแบบที่เพื่อนเขาเป็นมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากบางทีเราอาจจะอ่อนแอแต่พอเราไปจับกลุ่มเราไปเจอเพื่อนที่แบบว่าอาจจะอ่อนแอเหมือนกันแต่เขาอยากจะทําสิ่งที่ดีเราเห็นความดีที่เขาทําเราก็อยากทําความดีเราก็ทําความดีของเราเขาเห็นความดีที่เราทําเขาก็อยากทําแต่ละคนที่อยู่ตามลาพังเนี่ยอาจจะอยู่ต่ําเตี้ยเลียดดินแต่พอว่ามารวมกันด้วยหวังความรักในอัลลอฮฺ ช่วยชุดกันให้ดีขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเราไปอยู่ผิดกลุ่มไปอยู่กับกลุ่มที่ไม่มีบราระกะไม่เคยลำลึกถึงอัลลอฮ์ยุ่งเกี่ยวแต่ของที่ฮารอมชีวิตมีบราระกะไม่ไม่มีทางมีบราระกะถ้าไปอยู่ผิดกลุ่มมันจะยิ่งตกต่ำไปเรื่อย ไม่ต้องดูที่ไหนไกลดูอย่างวัยรุ่นเขาพอพบเพื่อนที่ไม่ดีปุ๊บปัญหายาเสพติดปัญหาลักขโมยปัญหาฆ่าฟันปัญหาของการข่มขืนปัญหาของอะไรก็ตามแต่พี่น้องไปดูในศูนย์ฝึกในสถานพินิษเคสส่วนใหญ่เลยที่ว่าต้องถูกจองจําพอเพื่อนพอคบเพื่อนส่วนใหญ่เลยถ้าพี่น้องมีโอกาสเข้าไปดูลองไปถามก็ดูลองไปถามเยา ว, วชนเหล่านั้นว่าอะไรเป็นเหตุให้พวกหนูๆต้องมาถูก จากตัวอยู่ที่นี้ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเพราะเพื่อนแล้วเขาก็บอกเขารักเพื่อนมากเขาพร้อมจะตายแทนเพื่อนคือถ้าออกจากที่ที่ถูกกุมขังไปถ้าเพื่อนเขาทําอีกเขาก็พร้อมจะทําด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนสําคัญเพื่อนสําคัญ ต่อไปครับกุญแจสําสคัญดอกสุดท้ายถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากจะพัฒนาตนนะแรกเราบอกแล้วว่ากุญแจดอกแรกเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ทุกคนมาอยู่แล้วเพราะเราทุกคนมีธรรมชาติที่งดงามเราแค่จําเป็นต้องกลับไปค้นหาตัวเองในอดีตตัวเองที่ว่าเราเปิดใจรับอัลลอฮ์ตัวเองที่ว่าพร้อมที่จะน้อมรับคําสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งลูกหลานเราเขามีอยู่แล้วข้อแรกง่ายข้อ2คืออะไรครับครอบครัวต้องให้การอบรมตามรูปแบบอิสลาม อันที่สามก็คือต้องเป็นแบบอย่างให้กันและกันสามีเป็นแบบอย่างให้ภรรยาภรรยาก็เป็นแบบอย่างให้สามีกับ ล, Emin, ลูกลูกก็เป็นแบบอย่างให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นแบบอย่างให้กันต้องเป็นแบบอย่างอันที่สี่สร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อคบคนที่ดีคนไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะตัดคนไม่ดีไปจากชีวิตบ้างชีวิตมันจะได้มีความสุขชีวิตจะได้ไม่ต้องเครียดถ้าใครที่เจอปุ๊บชวนแต่นินทาพูดแต่เรื่องไร้ไ ตัดเขาไปเถิดไม่ต้องไปเสียดายเสียใจเลยหรอกถ้าเขาไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่คนใกลชิดเขาไม่ใช่เพื่อนบ้านเขาไม่ใช่ใครที่จะรัสั่งให้ต้งเชื่อมสัมพันธ์ตัดไปบ้างก็มีปัญหาพี่น้องใครที่จะทําให้เราตกต่ําลงนะอันสุดท้ายก็คือพี่น้องต้องหึดกุญแจนี้สําคัญที่สุดครับไม่ว่าเราจะเป็นเด็กไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะโตแค่ไหนเราพูดถึงความสําคัญของคําพูดเราพูดถึงอันตรายของคําพูดเราพูดถึง ผลและบุญเที่ยวล้อแจ่มอบให้กับคนที่ใช้คําพูดที่ดีทั้งหมดถ้าเราไม่พัดยัพฒนาไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นมันก็ไร้ค่ามันก็ไร้ค่าเหมือนกับฟังกุรานพี่น้องพี่น้องอัานกุรานมีความไผ่ระแต่บางคนฟังกุรานแค่เพราะไผ่รอไม่ได้ไปหยอะไรจากกุรานเลยเหมือนกับอบูจนันเหมือนกับกุฟฟาสสมัยก่อนพี่น้องที่รักรู้ไหมครับว่า เขารู้นะว่าวันไหนท่านอบีลุกหลมาตาหยุธวันไหนท่านอบีไม่ได้ละหมาตกาเฟส ร, รู้กุฟฟาต์มุชลิกยุคนั้นรู้ว่าคืนไหนท่านอบีลหะหมาตคืนไหนท่านอบีไม่ละหมาตมีช่วงหนึ่งที่ท่านอบีไม่สบายหรืออาจจะลุกมาละหมาดเร็วไม่ตรงกับเวลาของเขาพวกเขาแอบมาฟังกุหลาบของนบีเพราะกุหลานไพเราะไงเขาได้ภาษาหลับแล้วพอเขาฟังปุ๊บเขารู้ว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ไพเรพาะไพเราะยิ่งกว่าเพลง ไพเราะยิ่งกว่ากับ ก, กรที่เขาเคยยินมันเป็นอะไรที่มันไพเราะถึงใจแต่เขาไม่ได้เหตุใดายากไงทั้งๆ ท, ที่เป็นคนระดับเข้าใจความหมายแต่ไม่ได้เหตุใายะาเพราะสนแต่เรื่องความไพเราะผลสุดท้ายมาฟังมาฟังมาฟังอสองสาคืนไม่ได้ยินปุ๊บอา้าวอัลลอฮ์ทิ้งเจ้าไปแล้วหรือมอมัดซึ่งพัลลก็พันในยักุรานว่ามาวัดยาอารับบุกะวามากอลาซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนั่นก็แปลว่าพี่น้องขี้รักหรือเพราะคุรอ่านปัจจุบันเราโฟกัสผิดที่กันเยอะเลย แน่นอนครับอัลลอฮ์สั่งว่าเมื่ อ, อไรก็ตามที่อ่านกุรานต้องพยายามอ่านให้ไพเราะที่สุดเป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์เป็นคำแบบอย่างจากท่นานอับดุลเบียร์มัสลลัลลฮ์และฮุกไนละซัลลัมใครไม่พยายามอ่านนั้นกุรานให้ไพเราะเขาไม่ใช่พวกของเรานาบียร์ใช่ไหมว่าต้องพยายามอ่านให้ไพเราะแต่ถ้าเราไปโฟกัสกับความไพเราะโดยไม่โฟกัสกับเนื้อหาสาระมันก็ไร้ค่าพี่น้องแบบมีครั้งหนึ่งครับเช็คอ่านเสียงเพาะมากเช็คคนนี้เสียงเพ้ะมาก อ่านอายะกุรอ่านในช่วงอายะที่พู้อัลลอฮ์พูดในความหมายที่ว่าแล้วแน่นอนเราจะลงโทษพวกเขาเด้ยวยกับการลงโทษที่เจ็บแสบแต่เสียงเชคหันพอมากคนที่ฟังก็ อ, อัลลอฮ์ล้อเพ้อหรือเกินสวยงามเหลือเกินใช่ไหมพี่น้องว่าใช่ไหมอลัลลอฮ์กำลังพูดถึงการลงโทษที่น่าสะพรืงกลัวมันใช่ไหมที่ว่าจะไปเคิบเพลอว่าช่างไพเราะเหลือเกินมันตรงกันข้าม แปลว่าเราโฟกัสผิดจุดไหมเราโฟกัสแบบจนเกินเลยไปไหมกับเรื่องความงกงามมันกับบางคนไม่เข้าใจมาพูดกับผมตรงๆเลยบอกเนี่ยถ้าไมอิมามมักกะอิมามมาดีนะเนี่ยคนเสียงพ่อคนนี้มีตังเยอะทำไมไม่เอามาทําไมเอาอิมามเหล่านี้ทำไมเอ า, เ, อาเช็กซุดเดสเอาอะไรมาทําไมเอาคนศาสนาทําไมเอาคนมีความรู้มาคําตอบก็คือเพราะประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่เสียงอย่างเดียว เสียงสําคัญแต่มีสิ่งที่สําคัญกว่าเสียงคือความเข้าใจถ้าพี่น้องฟังอัลกุรอานแล้วมีแต่ความเคริบเคลิมว่าไพเราะโดยที่ไม่รู้สึกว่าอิม่ามเพิ่มขึ้นแปลว่าผิดแล้วเป้าหมายเราผิดแล้วบางคนบอกว่าฉันไม่เข้าใจภาษาหลับต่อให้พี่น้องไม่เข้าใจภาษาหลับวานูนัสซิล hm ah ุมินอัลกุรอานีมาหัวชิฟะอูวาละเม เขาากล่าวว่าไงครับเราได้ประทานมาให้อยู่ในกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นการเยียวยาและเป็นความเมตตาต่อให้พี่น้องไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดพี่น้องอยากสดับรับฟังเพราะรักอัลลอฮ์อยากมี إ ي م านเพิ่มขึ้นต่อให้ไม่เข้าใจอัลลอฮ์ใช้พี่น้องมีหัวใจที่เต็มไปด้วย إ ي م านเวลาที่ฟังกุรอานตรงกันข้ามกับคนที่ว่าบางทีจัดงานอ่านกอรีเหมือนกับเป็นงานคอนเสิร์ตหรือบางทีอ่านลากเสียงยาวเกินไปจน มันไม่สามารถโฟกัสกับความหมายได้พี่น้องมุสลิมเราต้ อ, อยู่ตรงกลางวกแตดาลิกะจะอัลนากุมอุมมอัตตะวัสตอด้วยเหตุนี้เราได้ทำให้เจ้านั้นเป็นประชาชาติที่อยู่ตรงกลางก็คืออยู่ตามตัวบทที่อัลลอฮฺและอซูสุลกำหนดไว้กำชับไว้อันนี้เป็นประเด็นที่ว่าต้องย้ํากับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็ไม่ได้มาทักทายกับคุยกับพี่น้องที่สลามมานะครับผมก็พี่สลามสลามเต็มมาก็ สละมะก็วัดคุณสละม์ที่ด้วยกับคุณซาดานะครับแล้วก็พี่สมาชบอกอามีครับพี่วันนีกัมมะหยีนะครับบอกกระลำเดียะลำห้าเก้าภาพเสียงชัดเจนแล้วก็บอกว่าสละมพี่สาวที่น่ารักทั้งสองท่านอ้าวก็คือเข้าใจว่าสลามให้กับคุณอวันนีกับคุณอซาอาดานะครับคือ3าท่านนี้มาเช้าล้อเป็นกลุ่มนักเรียนหน้าห้องนะครับก็ขอร้องตอบแทนด้วยความดีงามเนี่ยดีๆนะครับเตือนทั้งตัวผมกับพี่น้องทุกท่าน ระวังเรื่องของเหยียดให้ดีครับผมคุณสิริพรส่งหัวใจมาซึ่งก็มาชาวแล้วมักจะให้กำลังใจเป็นประจำก็ขอบคุณมากๆนะครับผมมีการตอบสลามกันอับเพื่อนผมคุณวัชรินสลามมาก็วัดคุ้มสลามอัลตุลลอฮฺบอเบรอกาตุคุณสิริพรสลามาก็วัดคุ้มสลามวอรมุตุลอฮฺบอเรกาตุเชเดียวนะครับนนะครับผมป้าล่านะครับขอโทษพี่ล่าตะลึกพี่ล่านะครับผมสลามมาขอวัดคุ้มสลามอัลตุลลอฮฺบอเบรอกาตุคุณฟาติมาสลามาเช่นเดียวกันก็วัดคุ้มสลามแล้วก็คุ สลามกุ้งขาจานก็วัดกุ้งสลามมุตล้อว่าบารักาตัวเช่นเดียวกับคุณยะยาทัดระเบียบนะครับบอกภา พ, ภาพเสียงชัดแ จ, วจ๋วก็เจซากูมุลโลห์คอยรันครับผมผมตกท่านใดไปหรือเป่านเน่ยคุณอดีนันแสงกลมนะครับบอกยะลาปันนังสตารับชมเช่นเดียวกับตุนยาคือคุกก็สลามมาเต็มเลยนะครับผมบอกสันทรายเชียงใหม่ชัดถ้อยชัดคําก็วัดกุ้งสลามมุตล้อว่าบารักาตัวแล้วก็เจซากูมุลโลห์คอยรันครับผมคุณอาเดียอาคุณอาเดียสลามมานะครับวัดกุ้งสลามแล้วก็คุณซุนกิฟฟี่ครับ อัสลามุณมุลตุลลอฮฺบะบรากาตูท่าผู้กบี่ชัดเจนทั้งภาพทั้งเสียงก็วาริกุลสลามมุบตุลลอฮฺบะบรากาตูนะครับผมคุณไอชาชูเนมครับประทันเดลักกบี่ชัดเจนอัลฮามเดลักครับที่อัลลอฮฺให้พวกเรามีความชัดเจนนะครับผมคุณอาขยาะนะครับบอกสลามมาก็วาริกุลสลามอุลตุลลอฮฺบะบรากาตูพุ่มออกเสียงเป็นญี่ปุ่นนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยอาขยาหรือว่าไงโอเคออกเสียงผิดข่ามัรฟนะครับผมคุณซีร์ลครับบิเล็บสลามมาวุมสามแล้วก็คุณลสล ออชื่อมาชาลอครับสลามมาวันคุณสลามคุณสกี้มาหมัดบอกอลรามดีแล้วก็อารามดีแล้วครับผมเอคุณบบอแล้วกันนะครับอ่าวันบบอและกันบอกรับชมรับชมครับผมคุณไฟซ้อนสลามมาก็วันคุณสลามบาร์บาร์กาตูคุณอุริษาส่งกำลังใจมาคุณลักษนาเหล่าวิชาการสลามมาก็วันคุณสลามนะครับผมคุณสุปาณีส่งใจมาบาราบาร์ล็อกฟีกลุ่มครับคุณโซโซบอกกำลังรับชมแล้วก็คุณอุริษาก็ให้กำลังใจมาต่อนะครับผมคุณ อัลบชีตนะครับผมอามอัยลกุมวารัตุลอ์วะบรักกาตูและก็ไม่ใช่ภาษาไทยกับภาษาที่ผมแปลได้ก็วารคุณสลาห์มุตุลอ์วะบรักาตูละก็จสซาคุณอคารนนะครับผมคุณกุดดารัส่งหัวใจมาคุณจริยาสลามมาซุบฮานัลลอฮลอะซุบฮานัลลอฮฺวบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮอะมาชาลลอฮครับผม การมิสลล์ที่งดงามครับคนเดือนเดนบอกว่าเพิ่งเข้ า, ามามารับชมก็วาลิกุมุสแลมมวลามุลลอฮีวะบาร์กะตูครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับก็สําหรับวันนี้น่าจะได้แก่เวลาแล้วนะครับผมอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเรามาพูดถึงกัฟฟารอล์เวลาที่เราเผือพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่งามแล้วเราอยากจะขอละยกโทษอยากจะขอะละมองข้ามมันไปนะครับเป็นยังไงแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงความเมตตาอีกความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทุกคน ว่าฮาเดนาหุ่นนัชไดก็น่าจะได้พูดกันในครั้งต่อไปนะครับผมในครั้งนี้ก็สิ่งใดก็ตามที่ผมร่วงเกินพี่น้องท่านใดไปถ้าเกิดว่าผมไม่รู้นะครับหรือว่าทั้งคือผมคงไม่รู้่นะสิ่งที่ผมไม่รู้ก็ต้องขอมาพี่น้องที่รักทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอโดยมาจากพวกล้อครับเราขอโดยเกี่ยกับการที่ว่าเรานั้นยืนยันว่ามีพระเจ้าในนอกจากพค์ผู้ เป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวผู้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงผู้ที่ไม่ให้กำเนิดแล้วก็ผู้ที่ไม่ถูกให้กำเนิดเราขอด้วยจากพระ อ, องค์ยอ้อนล้อถ้าเกิดว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้เรียนรู้ไปถ้ามันเป็นสิ่งที่ทําให้อัลลอฮ์รักก็ขอให้มันอยู่ในตาช่างที่ดีงามของเราด้วยเถิดแล้วก็อย่าให้เราต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าทําสิ่งที่ดีงามไปแต่มันไร้ค่ามันถูกทําให้กลายเป็นผุยผง มือนกลอกล่าวในแกานถึงคนบางกลุ่มว่าวอมาอามิรูมินอัมบาินเฟชันนาฮาบะอัมมันซุรอสิ่งที่พวกเขาได้กระทํามันไปนั้นเราได้ทําให้มันกลายเป็นฝุ่นที่ปิววอนก็คืออัลลอฮ์ไม่ตอบรับอะไรเลยก็อย่าอลลอฮปวดให้การางานที่เราทํำปวดให้เราเป็นกลุ่มชนที่เรามีหัวใจที่มีความอิคลาสต่อพงละลอสุมาตาลาเหมือนกับชื่อกลุ่มของเราด้วยก็คือกลุ่มอิคลาสแล้วก็ขอพงละลอสุมานหัวตาลานั้นให้เราเห็นสิ่งที่ถูก เป็นสิ่งที่ถูกให้เรามีความสามารถจะทํามันได้ให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วก็ขอให้เรานั้นได้ออกห่างจากมันอย่าล้อปวดให้เรามีความหนัดแน่นมั่นคงในความเป็นบ่าวที่ดีของพู้อัลลอฮ์ขอให้ผู้นั้นให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้ตาดวงใจของเราให้เป็นความชุ่มฉ่าให้กับหัวใจของเราแล้วก็อย่าล้อฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มาลวกินอย่าล้อ เพียงพวกเราลอก็พอเพียงแล้วสาหรับเราแล้วก็พงเป็นผู้รับการมอบหมายที่ดีสุดปรดทาให้เรานั้นมีจุดยืนที่มั่นคงในสภาพของผู้ที่มีตัวตนผู้มีนิสัยที่งดงามยาวล้อขอให้เรามีชีวิตอยู่บนทางน้ำของพรงแล้วก็ขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่อพงโอพวกล้โปรดอย่าได ป่อยทิ้งผู้ใดก็ตามที่มีนิสิตในหมู่ของพวกเรานอกจากพวงล้อจะช่วยให้เขานั้นผ่านพ้นนิสิตไปได้ให้เขาชดใช้นิสิตของเขาไปได้แล้วก็คนใดก็ตามในหมู่ของเราที่ป่วยไข้า ย, ยาวล้อปวดให้เขานั้นมีสุขภาพพลานเมยที่แข็งแรงปวดทําให้เขาหายจากอาการป่วยไข้ที่เขาเป็นแล้วก็ผู้ใดก็ตามที่ว่าเขามีความทุกข์เศร้าไม่ว่าจะด้วยเหตุใ ด, ดก็ตามยาวล้อปวดให้กําลังใจแก่เขาแล้วก็โปวดให้การตอบแทนที่ดีงามแก่เขาแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นผ่านพ้ น, นบท ทดสอบทุกบทที่พ่อเลาะให้กับพวกเราไปได้อย่างง่ายดายยาละโปวดจะได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบหนักๆเหมือนกับ ท, ที่พ่อทดสอบคนก่อนหน้าเราโปรดอยาทดสอบอะไรพวกเรานอกจากพ่อเลาะนั้นจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้เรานั้นผ่านบททดสอบเล่านั้นไปได้ด้วยดี อัลลอฮ์ปรดให้ความช่วยเหลือมุสลิมไม่ว่าเป็นมุสลิมในเมืองไทยมุสลิมที่พามา่ามุสลิมที่อิรักมุสลิมที่อิหร่านมุสลิมที่ซาอุดิอาระเบียมุสลิมที่ไหนก็ตามในโลกขนิ ย, ยารอัลลอฮ์ผู้ใดก็ตามที่ว่ารักศรัทธาในวงเพียงพระองคเดียวเป็นบาตที่แท้จริงอัลลอฮ์ปวดให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาด้วยขอให้เขามี إ ي มานที่มั่นคงขอตอบแทนในทุกการสูญเสียของเขาโปวดให้เขาได้รับผลบุญแล้วก็ขอให้สิ่งที่ดีงามกว่านั้นแก่เขาด้วยย Allah, อัลลอฮ์ปวดจะทําทให้หัวใจของเรานั้นมีความรังเกียจ เกียรช่างแก่บรรดาบุคคลที่เราล้อรักพวกเขาแล้วก็โปรดให้อภัยโทษแก่เราโปรดให้อภัยโทษแก่คนที่ดำเนินแนวทางที่ยากลําบากนี้ก่อนหน้าพวกเราแล้วก็ยาวล้าเราอาจจะไม่คู่ควรแต่ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิบดาส์พร้อมกับท่านนาบีมอลลุลลอฮฺอัลลอฮฺสลุลแลมกับบรรดาอะคละสาวกของท่านขอให้เราได้อยู่โดยที่ไม่ต้องผ่านการลงโทษใดๆไม่ว่าจะในถุงฟองศพหรือว่าในไฟนรกด้วยเถิดด้วยความเมตตาของพระองค์ย่ารับเวลอาลลอฮฺ أ, هذا الله أ, ه ه أ ق ل الله أ إ إ أ و ل ق و ل อาคุ و ค๊ ل วล ل ฮ ل ลาห์ و ا ل م ฟ ل م ัล م อ ك م ลีวะ و ا าคุม ر ลิ ر า ه ีมุสลิมีนฺฺมิน م คุลฺดํ ل ิน ا วาสักฟ أ รุหฺอินฺนฺหฺฺว ل ลก س ฟฟุรุัลราะหิมซุานะัลลามะฮฺมดิลาดุัอิลลาหัลลลไาะด้พกันหมความั้ ا ل จข ا ง Allah อินชาอ ل ลฺลาห ك ขบศ